เซขะปฏิปทาสนทยาธรรมิกถาวันที่สิบห้ามกราคมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องอริยวัติธรรมห้าตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยจึงเรียกคนที่บวชแล้วศึกเรียกว่าทิศเขาให้เกียรตินาทีแต่มาแต่เขาว่าบัณฑิต ที่ข้าเราไล่เตะต้นบาดดอกหรือเตะทิศเรียว่าบันทิศกับโมเอนรีว่าบันทิตเรยว่าทิศในนี้จเป็นทิศหรือสะเป็นทุตเอข้าว่าบวซิกบัุ่นไปว่ดไปนั่งอยู่หู้นนังอยู่ท่ายนั่งอยู่ดากงูกันว่าม่ทิศเจ้าก็ไปผราไหว้ไยพระบัได้สมัครานสินหาว่าบวเป็นทิศตัวเมันก็ทุตจนตัน้เนาะเขายกยองมาก ถ้าจะไปขอรูปสาวขายเขาอยากได้โอ้ยมบวชเรืนน่องฉันอานมาเลยไอ้ปกทิพย์นำอะไรแค่เนรินบเขาเลยเบิงจุบบง่มบิงซุ่มมันเองเลยบิงเสื้อบิงเส้มันเนงพ่ะย่ะการบวชเป็นดีกรีเป็นกูดบินของชาวพุทธผู้ชายการบวชในประเทศไทยในปัจจวันนี้ จึงมีความหมายมากมีวัตถุประสองค์อย่างน้อยคนจะพอจะสรวจมาให้เหตุว่ามีอยู่สี่ประการเราดีพวาเราจะมีอยู่ในสประการประการไหนหนึ่งประการที่หนึ่งเราถือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเราการบวชนั้นคือการเอาชีวิตจิตใจเข้าไปรักษาพระศาสนา อาศาตนาไว้ในเนื้อในตัวในใจิตในใจไม่มีใครจะทำลายได้จนกว่าเราจะตายไปถ้าจะบอกว่าการบวชเป็นการรักษ า, าธาตนาประเภทที่ว่าสันตานังเสื่ต่อเสื่ต่อบวชสื้อปันก็ซื้อชื่อว่าเสื่ต่อยุพะศาตนาได้สื้อปันเมือ่อศาตนาจะเสื่อมจะสิ้นจะมหมดไปก็คือการหมดนักบวชสมณะลิงค์อนันตรหานจะก่อนหมดเพศนักบวชแล้วตอ่นั้นทุกอยา่ยางทุกสิ่งทุกอย่างก็สลายไป เพราะฉะนั้นทุกคนถือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่หล่อเลี้ยงจใจใจ ง, ง่าให้เจริญงอกงาให้ดีให้ ง, งามทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตชุมชนอาศัยหลักธรรมมาสอนพุทธศาสน า, าก็ต้องไปบวชบวชเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะนำมารับผิดชอบต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมในอนาคตก็เลยพเาเข้มาบวชตอนบวชเรียชื่อว่ามาบวชรักษาพษาษระธศาสนา สื่อภาษาศาสนารักษาพระธรรวินัยไว้ในชีวิตจนกว่านนะั้นโบจะตายหมดจึงชือว่าศาสนาหมดเพราะนั่นเรื่องสลามในมิถุนภูสื่ศาสนาได้นี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองทำหน้าที่ของคนไทยพราะเราเป็นคนไทยทำหน้าที่ของคนลาวเพราะเราเป็นคนลาวเรามีพุทธศาสนาเป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณ พุทธศาสนานี้เป็นเบ้าหล่อหลอมหล่อเลี้ยงจิตใจชุมชนบ้านเมืองให้อยู่ยเย็นเป็นสก์เราเราจรึงรักพุทธศาสนาการบวชเพื่อการสื่อทอดวิถีพศาสน า, าเป็นาการทําหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ทําหน้าที่ของชาวพุทธคือบวชเพื่อสื่อศาสนาทำหน้าที่ของชาวไทยเพื่อรักษามรดก ข, ของชาติไทยของชาติเราก็เลยต้องบวชจะรักษาไว้ได้ยังไงบวชมารักษาศาสนาหนึ่ง การบวชชื่อว่ารักษาแบบสันตานังสืบตอบด้วยเพศธรรมะสองทารนังบวชมาแล้ได้เล่าเล่าเรียนหลักคําสั่งสอนเป็นการทรงไวทารนังทรงไว้ซึ่งคาสั่งสอนเนื้อหาสาระที่แท้ของพุทธศาสนาสันตานังสืบต่อด้วยการบวชทารมานทารนังทรงไว้ด้วยการเรียนปริยัติธรรมคําสั่งสอนของพระธศาสนา สุดท้ายวิทาระนังเผยแผ่ให้กว้างไกลเพื่อเราตายไปคนหนึ่งจะได้สืบต่อบอขีหานต้องมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนสันตานังทารานังวิทาระนังสามนังสืบต่อเพื่อการบวชทารานังส่งไว้ด้วยการเรียนให้จดจำในปัจจุบันบ่ได้ใครในหน้าต้องมาบวชเฮียนมั น, จมนเจอเฮียนนหนึส ง, งสาวได้ที่ให้ขี้ไวเพื่อจะส่งคำส่งไว อ, อย่างนั้นก็แพ้วิทยาลังเผยแพ้พกวางไก่ไม่แพ้แต่กุศลาธรรมกุศลาธรรมอะไรนแพ้ไปไม่พอมัเข้าใจนี่ทำหน้าที่ของชาวไทยร้กสามอว โ, โลกดของชาติไทยประเด็นที่สองประเด็นที่สาเราบวชเพื่อตอบสนองพระคุณมารดาบิดาลึกตัวนี้ลึกลึ ก, ล ก, ลกมากแต่จะเข้าใจไหม กระแสนี้กระแสที่สามนี้มาจากประเทศอินเดียสมัยพุทธศาสนามาถึงเมืองไทยพระเจ้าอาโศกปวดสืบสาอายุพุทธศาสนาบวดเป็นทายาททายาทไปว่ารับมรดกรัมมูมังศาสนาะแต่ความ่ไม่ไม่ไม่ไมเกี่ยวกับพ่อกับแม่ดอกแต่มองไปตรงนี้พระเจ้าอาโศกดันเป็นต้นเป็นต้นแบบในเรื่องนี้ สร้างวัดสร้างเจดีแปดมืนสี่พันวัดแปดมืนสี่พันเจดีอารามอลัมเต็มท่วนทัวหมดในมหาอานาจาอันพายศาลและได้ประกาศทูลถามพระมหาโมคคลรีบุตรศาสาเสระผู้เป็นประธานสงในสมัยนั้นที่เมื่อปาตดีบทก็ถามว่าพระผูเ้เเจ้าผู้เจริญกระผมได้สร้างเจดี สร้างมหาวิหารมาแปดหมื่นสี่พันมหาวิหารและเจดีในสมัยพัฒมารัตพุทธเจ้ามีพระชนมาอยูุยมมีไหมคนทำํำคนคนที่ไทยทําได้ได้อย่างนี้ทําว่างากุ๊กคนมีไหมไม่มีบอกถว า, ายพระพรป้าไม่มีโอถ้าเจนนันโยมทําำขนาะนี้ไม่มีใครใครเท่าโยมได้เป็นทายาทของศาสตานหรื อ, อย่างฝังดีนะพวกเราลนะทายาทแต่ไป่ว่าผู้สืิตระกูลจะทายาท อย่างเราสืบตะกูลพระแม่อันนกสาตันธายาคผู้สืบพระศาสนาเป็นญาตของพระศาสนาได้หรื อ, อยังผมทําได้มากขนาดนี้ฮาบาฮาโมคาลีบุตรต่อบ้างถวายพระพุทธองค์บัตรยังไม่ได้เป็นใกล้ยังไม่ได้ใกล้เลยท่านจะสร้างแตแต่แผ่นดิน จ, จุดธมโลดหรือทั่วทั้งอาณาจากัจากรจักรวาล น, นี้ก็ยังไม่ได้เป็นทายาทของพระศาสนาดอกยังได้ไปเป็นพี่เป็นน้องของพระเจ้าดอกโอ้ แล้วจะทํำยังไงโยมทําบุญทำฐานมาหมอดมากแสนจะมากที่ขนาดนี้นยังไม่ได้เป็นาาทายาทเลยอย่างไรจริงจะได้เป็นทายาทเป็นผู้รับมรดกของพระศาสนาช่วยบอกโยมเรื่องสิทางเลยถามพระพรบักขังฐานนามนุษยสมมติขัง ส, สาถาบันวิศวะฐานะอัปเสสเลือเล่อมีแรงในหมู่มนุษย์ที่จะทำให้เขาบรรู้สู่จุดหนทางบรรลุสูแห่งชีวิตได้และในขณะเดียวกัน มาตาเปติกส า, โโมมาสัมภะโวโอทนกุมารสัพจโยสภาวะธาตุของมารดาบิดาลงมาเป็นลูกทึ่เกิดมาพ่อแม่ลงตัวอยู่ในลูกนะั้นถ้าอยากเป็นสาธ า, า, ารณถาญาติมรดกขาดสาธารณมหาภาพิตรมีลกูกให้ลูกบวชลูกชายก็ได้ลกูกหญิงก็ได้จริงๆชื่อว่าเป็นถายญาตรับมรดกตายเฮอบาดเมื่ อ, อไปมีลูกอยู่สองคน ที่ยังไม่ได้แต่งงานลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งลูกชายชื่อว่ามหินทักุบาลลูกสาวสัมิตาทเทวีพ่อกระหลงสร้างมามากขนาดนี้ยังไม่ชื่อว่าไป็นไทยอย่างของภา ษ, ษาศาสนาเั็นอย่างพระพุทธเจ้ามาด่าก็เลยไปถามลูกๆจะบวชให้พอได้มันยากมวดพนนี้มีวาสนาแต่ก่อนเคยบวชเคยศึกษามาแล้วมันไปวาสนาเยสสู้ๆนี่มีวาสนาที่เลอเทอนะ เขานตายเางาเงียบไปเป็นไปบเอ็กซนามันมันถืบมันถือต่อถ้าทั้งสองก็เลยพ่อมิ่งเธคนแากบวชก็เลยบวชให้พ่อเดยเป็นพระอรหันต์ทั้งสองแต่ส่งมาเผยแพร่ อ, อยู่ที่ลังกาจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้การบวชลูกคือการบวชสนองตอบบุญ ข, ของมารดาปิตาที่จะทําให้พ่อเขอใแม่ได้เป็นสาธารณะทา ย, ยาทด้วยก็เลยมีตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ประเทศไทยก็เอาด้วย สารเเนว่นาเอาอีกอย่งอันประเด็ น, นของของการบวชเองเอาอีลา ย, ยกูดีก็ได้น้อซีบวดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยอาศัยอำนาจหลักธรรมนำประสบการณ์มพื่อปฏิบัติเอาซีอันทัางนี้นก็ขอมาปหนึกแล้วผมอยากจะชี้แจงให้ชัดลงไปข้อที่สามให้เราได้เห็นภาพมันลึกซึ้งยิ่งกว่า ท, ท, ที่จะบอกว่า ทำให้พ่อแม่เลยเป็นทายาทของศาสนาโดยเช่นที่พระเจ้าอโศกสุดยอดความรักของคนคือความรักของพ่อของแม่ที่รักลูกพ่อแม่ไม่ไม่มีอะไรจะรักเกินกว่ารักลูกสุดยอดแห่งความสุขของพ่อของแม่คือเห็นลูกเป็นความสุขสุดยอกแห่งความทุกข์ของพ่อของแม่คือเห็นลูกเป็นความทุกข์เห็นลูกเป็นความชั่วลูกทุก ลูกยากพ่อแม่ขนขวายช่วยตายแทนก็เอาแต่ลูกชั่วเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้จะทำยังไงพ่อแม่อยากจะตายเฉยๆไมจ่จะไม่อยากตายแทนเราอยตายนี่จัดแต่พ่อแม่เห็นอย่างเดียวเมื่อ น, นักถือพุทธศาสนาสียถานที่จะทาให้ลูกเป็นคนดีคือไปบวชไปฝึกหัดพัฒนาประเสริฐศรไปไปศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญานี่โดยหวังว่า เมื่อลูกเป็นคนดีแล้วลูกจะออกมาไม่บวชตลอดไปบวชแล้วชั่วข่าวจะออกมาก็ไม่เป็นไรลูกจะได้เป็นลูกที่ดีพราะจะได้สืบตระกูลต่อไปและจะรับผิดชอบต่อสังคมต่อบ้านเมืองต่อไปและลูกเองก็จะปลอดภัยเพราะเขาเป็นคนดีเขาคงจะไม่เดืดร้อนวุ่นวายไม่มีใครม า, มาเข็นมาฆ่าเขาเขาเป็นคนดีมีสิ่งใีธทําก็เลยอยากจะให้ลูกบวชก็เลยบอกว่าลูกบวชแล้วพ่อแม่สบายใจ การที่ทำให้พ่อแม่สบายใจนั่นคือทำให้ามีความทุกข์ให้ท่านมีความสุขคือการเลี้ยงจิตเลี้ยงใจท่านทีนี้มันเป็นอย่างนี้สุดยอดแห่งความรักของของพ่อแม่คือรักลูกเมื่อลูกบวชแต่แต่ก่อนลูกยังไม่บวชลูกชายเนี่ย ม, ม, มันมันดื้อมันมือนลูกสาวลูกสาวจะเก่มันก็ไปเป็นเกลียดเพราะนั้ น, นก็ระเบื้องเราปลูกสาวดีที่อยู่คี่ลานอะไรเนาะที่เป็นเราสง่งเขาไปขายเขาไปเมืเกินจะ่งบงอย่างบ้า ถ้าลู่ปไปเทีย่ยวยังไม่กลับมาพ่อแม่นอนไม่หลับแล้วโอ้ไปตีหวัวหมาไปด่าแม่แจ็คสียใจน้ไปพิพป้านพังอะไรอยเน้ะเขาเยียบเกือบเลยว่าในคืนั้นน้องลูกได้เนานอนไม่หลับจนกว่าลูกมาจิงสบายใ่แต่พอลูกลงบ้านลงเลยเป็นลูกชายเ น, นี่ยพ่อแม่เป็นหัวมาคับยังไงนะใจใจสงบสบายกับลูกมีทางคือให้ลูกปวัดไปวิด แต่เลกเกียดความรู้เอ้ยพ่อแม่จะมีความสุขมากพ่อแม่จะได้บ่นมากจะได้เกาะชา ย, ยีวันของลูกขึ้นสู่สวรรค์มันิะกอดได้บอแต่เมื่อเจอของของไปจากซักของผ่านอยู่วันไปนะไหนมันจะกอดได้ยี่บอความร้นอนที่จะให้ลูกบวชพอลูกบวชปับ๊บเอาละทีนี้บอกเลยว่าความรักสุดยอดแห่งความรักในโลกนี้คือความรักของพ่อของแม่ ขอแม่ของพ่อที่มีต่อลกูกที่รักลกูกเมื่อรักลูกแล้วลูกอยู่ที่ไหนก็คิดถึงลกูกคิดถึงลูกก็มีความสุขพอได้คิดถึงในที่เขาเราเพลงฝากใจกับกันฝากฝันกับดาวนะ่ะทุกค้าวก็ได้เราต่างสู้แกงมื่อคิดถึงการอดวันทีขึ้นเ้าลูกยังเลยสุกเก่ลงลูกแล้วเออเฮ้อพอคิดถึงลูก ก็คือคิดถึงพระแต่ก่อนมื่คิดถึงหัวงพ่อเึ็คือไงพระบินวไปบินว่ากูวาอย่างนี้ว่าบ้านเองลูกไปบวชได้ไหมลูกไปบวชลูกบวรเป็นพระก็ได้บวเป็นเนงก็ได้คิดถึงลูกเมื่อคิดถึงเรืลูกก็คิดถึงพระคิดถึงเนงลูกเราเป็นพระลูกเราเป็นเองเมื่อคิดถึงพระคิดถึงเนงก็คิดถึงที่อยู่ของพระของแมงคือวัดแต่ก่อนเราสิขึ้นหัวว่าเต็กเขียวอบบไงนะเพราะอนั้นก็ื่คิดรู้ว่าเต็กเขีนี่ชื่อว่า ลูกนีด่ดึงใจพ่อโน้มจิตใจพ่อแม่เข้าวัดเข้าว่าหาพระาเจ้าแต่ก่อนพ่อแม่ไม่เคยคิดถึงพระมัวลเดือดรบกวนดื้อรนเยือยแยงแสวงหาหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกลำบากระบะ บ, ะบนไม่ค่อยคิดถึงวัดถึงวา ถ, ถึงพระถึงเจ้าแต่วันนี้จีตใจแม่จีตใจพ่ออยู่ที่วัดกับลูกเด้อเออไปในปริวิทยาบ้ลแล้วเนาะ คือมาาไปได้หมดยเนาะแตยไปหาลูกนเลยก็ไไปวัดสไปส่ยไปหาลูกปอขึ้นโคกคนบลูจวัตก็ต้องไปวัดนี่ไปพอลูกนะไปวัดมันไปเห็นตัวเได้เห็นพระอื่นผมเห็นครูบาเห็นอาจารย์ได้กล่าวได้ปฟังเทศผมบ่เคยฟังแค่เก็ได้ฟังแต่กว่าวันวันววิทยปป๊บนะโมดสโตแ๊บดับดันครเจะฟัง แต่มื่หน่ไปหาลูกวัไใดฟังเทศวนฝ่าไปหาลูกวันใวันนั้นอาจารย์ทงหกพว่าได้ฟังเทศจะฟังนี้ก็ไปฟังพังไปฟังาเป็คนหูหนวกก็ไมได้ยินเนันเป็นคนหูหนวกฟังไปฟัมาก็ฉลาดแต่ว่าอันนั้นเปเป็นบาอันหนึป็นเป็นคุนเป็นทอกหัแมงคู่คนเวนะฟ้าแต่กี่เปิดเท่าไรครับเห็นฟ้าเหลือๆทะเลสามช่องอันนั้นยังคู่อยู่บ้างม่มีเลยในตะครับเดี๋ยวดียไปฟังนี้ก็ได้ฟังฟังเสียเมา่าวัไหด้วย มือนอย่างว่านูลูกคิดถึงลูกก็คือคิดถึงพระคิดถึงพระก็คือคิดถึงวัดจะไปหาลูกก็คือไปวัดจะไปวัดก็คือไปหาพระหาพระก็ไปเห็นกุบาอาจารย์องค์ก็จะได้รฟังธรรมก็จะเห็นประเพณีที่ดีที่งามจะได้เนี้งามที่ใจก็ใกล้วัดเข้ามาทุกทีใกล้สิ่งกระทัามาทุกทุกทุกทีทุกทีนี่ได้บุญเถได้บวชเป็นธรรมดาได้เนี่ยขึ้นหอพระหรือสิ่งนี้ครับ บางคนมีแฟนกวนยุใครไปบวชทจะรอไ่าจะรอขึ้นหอว่าก็ขึ้นหอฟ้าก็เไปวัดไปเออท่านอดึงแฟนมาวัดก็ได้สามเดือนน้นม่นานกนรอแล้ก็จไปวัดไรวัดไก็ยไปวัไปวัดได้ไปวัดได้มได้ก็เลยไปวได้บวดได้ ทีนี้เราจะตอบแทนบุญคุณเพียงเท่านี้ไม่พอนะไม่พอนะเพือท่านนะให้แตท่านมาวัดอย่างเดียวไม่พอจะต้องอย่างที่พระุทธเจ้าพูดการที่เธอจะเอาบุคคลทั้งสองคือมารดาวิดานั่งบาสองข้างให้ทาอุจาระปัสสาวะที่ราชยียรถอยู่ตรงนี้ตลอดการร้อยปี ป้อนน้ำป้อนข้าวอาบน้ำบีบนวดตลอดการร้อยปีให้แก่ท่านเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แก่ท่านอยู่ตลอดทุกวันชื่อว่าเลี้ยงดูท่านอย่างส ง, ง่างามแต่ไม่คุ้มค่าสะสมกับพระคุณของท่านในเมือต่อเธอแต่ลูกผู้ใดอย่างพ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาที่เราสมเกียรติศรัทธายาซี่เลนาอบาตติเโยบาตติ จาเคนะปัญญายาสุเตนจุภัยยังถ้าเราสวดทั้งหมดทำเหล่านี้นมันอยู่ตรงนี้ทำพ่อแม่มันมีสถาให้มีสถายังพ่อแม่ที่มันมีศีลที่พ่อแม่ที่ทุกศีลทําบาปทํากันอยู่ให้เว้นจากบาปจากกรรมท่านกระทำในสิ่ง ท, ที่ดีที่ ง, งามพ่อแม่ที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นเอาเอาแต่ใจขี้ตนีทีเนียวก็แนะนําพ่อแม่ให้รู้จักจาคะปลดปล่อย สร้างสรรค์คือที่เป็นประโยชน์ดีงามเกื้อคอุนต่อสินต่อธรรมต่อบ้านตมพ่อแม่ที่มีปัญญาสามไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรจเจริญไม่รู้จักลูกไปแนะนําพับสอนให้มีปัญญาอย่างนี้บุคคลเช่นนั้นชื่อว่านําพ่อนําแม่ทั้งสองปฏิฐานไว้บนสรรค์ปิดประตูนรกปิดประตูอาบานให้แกท่านชื่อว่าตอบแทนบุญของท่านแด่คุ้มค่าสาสม ไม่ใช่พูดใหม่นะพูดเก่าไม่ใช่คิดใหม่พูดใหม่นะในสมัยพุทธเจ้ามีเศษรษฐีลูกโขนคนหนึ่งเมืองสาวสถีเขาเลือหาดอยลืมฝังแม่นะ้ำเจดรลาวดีเช้ามาตะวันขึ้นฝั่งโน้นเศษรษฐีลูกโขนลูกชายโถไม่มีไม่มีลูกเป็นน้องปพปนพี่สันสบาดแปดสิบกอด โกนึงหลายคน็นบริษัทล่างเป็นร้อยล่างฟัง ล, ลูกคนดีจะต้องรวยมากลูกของแก้วของแหวนคนเดียววันดีคืนดีได้ฟังธรรมยถาบทไปเห็นคนคนเขาไปวัดไปพระเชษฐะวันเป็นอย่างที่มาที่เราเนี่ยมั่งมาๆๆก็เห็นคนะเก็จะไปไม่ได้ไปอยากจะไปวัดเท่าไหร่เราไปหาแอบดูสาวๆมันไปวัดไปมีแค่ผู้ส่งผู้สาวตัวเนาะ ก็เดไปฟังทมพอไปบ้ามันได้ฟังเทศไอ้คือว่าว่นกี้นี่แะมาหาลูกกไม่เห็นดลูกกไม่เห็นฟกได้ฟังเทศตัได้ฟังเทศมอนตอนีบบญเน่ไงพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องสัทธาสิงจากข้าพัญญาทำเมื่อกี้นี่ะอาทิยติสารมิธิวัฒนนองย่เป็นผู้เที่วประโยชน์แห่งตนในโลกในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ม่ไอ้เงินของเราต้องแปดสิบกอดของพ่อของเรามันไม่เป็นประโยชน์อะไรอีกน้เราก็จะตายจากมันมิฉ่นนั้นมันก็จะตายจากเรา เขาไม่ใช่ามาเอาไปได้ไ ด, ด้วยอซึ่งเรานี่สมบอกเอาไปได้ด้วยอาทิตย์นีสาลมิเทวะอัถโนถือเอาเที่ยวไปเป็นประโยชน์ถือเป็นประโยชน์ไปได้ไททํยทำยังไงเราจะได้ได้ฟังทำแบบนี้บ่อยๆเนาะมาวัตทุกวันก็ไม่ชัดเจนทํำยังไงเราจะได้บวชบนพระเหล่านี้แย้วบวชได้หนของเก่ามันมีนะวาสนาที่เคยฝึกมานแต่ก่อนซึ่งหนใจจะมีวาสนาก็ไปมาบ้านนั่งไปขอพ่อของแม่บวช พ่อแม่บอกลูกเอยพ่อแม่มีเจ้าคนเดียวเป็นแก้วเป็นแหวนเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจของพ่อองแม่ถ้าเจ้าไมา่ได้ตายจากพ่อจากแม่เลยพ่อแม่มไม่ด้ตายจากเจ้าไม่มีวันที่เราจะพระพากกัน จ, จะไปบวชไปทําไมอยากกินร้อนได้กินเย็นอยากกินเย็นได้กินร้อนอยากกินช้าได้กินอยา ก, กินช้าได้กินสายกินสายได้กินเชา้าการบวชชีวิตแห้งแล้งที่สุดมีตาก็ไม่ได้ดูของดีๆมีหูก็ได้ฟังเสียงบนเงาไม่ได้ฟัง ไะสิปวดทัยังสงารพัดการสันมาบอกให้ลูกพอมันไม่ดีกับปวดไม่ดแต่ลูกเห็นตรงอังข้าวแม่เอ๋ยพ่อเอยถ้าหาลูกมาในปวดชาตินี้น่าจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกขออยู่ไปวันมิเชนั้นจะไม่กินข้าวก็บป่าจะอยู่ไปจะมันตากไปเถอะเพื่อนใคามาค่คงเชวนไปเข้าเขาเขาบาตเอาเงินบริเ น, นาะไปด้านชิงน่งกับมันดิงชิงกับมันอีทันดิ้งวิวมีเมอร์ลีทูเมโรมีเมยได้ว่ะ กินเข้าไปสูงตานะเข้าไปอืดอัดเสีตายไว้หมอบอกเอาเราห้องจะปวดไปครับให้ยาวปวดเอ้หัอยังไงก็ไม่ฟังฟันรุ่งขึ้นพุ่งในเชาวมากินข้าวนอนเกือบกระดิ่งวันน้องทั้งคืนอ่ะนะโชคพ่อไปยังพ่อไปเป็นลูกห้อนหลาเออรู้ไหกินข้าวเป็นปาไในเห็นนั่อยืนั่งกินแล้วกินซะผมจะตายดีกว่าถ้าผมไม่ได้ปวดโยบวกกินตายดีกว่าผกิข้ากระดดทำยังไง คงจะไปไม่รอดเพื่อนก็เลยบอกว่าพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยพวกผมก็สุดปัญญาที่จะพูดกับเพื่อนไม่ยอมมันจะบวชอย่างเร็วให้คนบวชซะถ้าเขาบวชเขาอยู่ไม่ได้เพราะชีวิตนักบวชมันแห้งแล้งในที่แม่ที่พ่อว่าเขาโทรไม่ได้เขาจะศึกมาเขาจะไปไหนก็ต้องมาหาพ่อหาแม่ถ้าเขาศึกมาแล้วก็ก็ดีกว่าเขาตายเขาบวชยังดีกว่าเขาตายนะพ่อนะแม่จะเห็นหน้าเขาอยู่เออจริงไปก็คิดได้ แลยบอลูกเอ้ยลมากินข้าวกินน้ำสัตว์ลูกเอ้ยอาบน้ำอาบท่าสาผู้นึ่งเช้าจึงไปบวชปึ้งปังขึ้นมาปมีสพิ่งได้หลดดึ้งขึ้นมาจริงเลยเไม่มากราบกราบตักแม่กราบตาพ่อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยหนูดีใจที่สุดขอบคุณพ่อแม่กราบตักพ่อกลับ ต, ก, ตกแม่ลูกเอ้ยเมื่อบวชแล้วลูกจะต้องมีธบัติที่บ้านเป็นประจำนะฮะแม่เห็นเพ ห, หน้าเหพ่อย ห, หนครับคุณแม่คุณพ่อกินข้าว อาบน้ำแต่งตัวนอนไม่หลับทั้งคืนเบื่อเลยนอนสิแจ้งมาจอยากบวดบวชบวชแล้วบวชน่ะบวชนะ ส, ส, สิกสิกแล้วสิกนี้พี่โยตุนี่นอนทั้งคืนตาใสายเจ้ายาให้มันแจ้งจากไปบวชความจริงแกรักไปบวชทีแล้วนะเมื่อได้ฟังธรรมก็มาถึงบ้านเมื่เป็นอลางกลางนอนไปขอบวชผู้ทีเจ้าผู้ทีเจ้าบอกไม่ได้เธอจะต้องไปขออนุญาตมารดาบิดาเสียก่อน เรจาจะบวชแหงแล้วมันขอขอขอนุญาตพ่อแม่ไม่ยอมกันเลยมันมันก็นเลยเกิดเรื่องมากินข้าวตอนนี้พ่อแม่ยอมแล้วเช้ามาก็กลาบตักลาบพ่อลาบแม่ไปเองไม่ให้พ่อแม่ไปฝากดอกไ่ได้แเฮียวฮียวคือ้านของเราบวชกินอะไรบวชดีบ ว, ดดบวคือผมเนี่ยรักมบวออุบานยังออบ่ชเพื่อนโลกโจอลโลกโไปไม่พื่อแห่เฮวได้ดไดร่บวช ม, วมอนอันจะมึงนจะ ม, ม้บดสิแท้ ไปถึงผู้รีเจากระถามว่าเธอได้รับอนุ ญ, ญาตจากมนาบิดาหรือยังได้รับแล้วขอรับมนาบิดาเห็นพร้อมก็บรเอึกพิคุบวัฏปฐาเธอจะพิทูบาเทิดเพราะมันทร์ในยังเจรจาอันตุทุกตะอันถักกีเดยาใช่พราะมันทร์ที่เราเตาเก่าวไว้ดีแล้วถ้าวินัยนี้เราเก่าไว้ดีแล้ ว, วนนเธอจงบวชมาเาาาพื่อเพืจากนี้เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดกระเลวตะกี้บวชงานนี้คุณจะบอกจะสิ้นแล้วแล้วหาผ้ามุงเออ ก็ไปบินทบบาทเลี้ยงพ่อป้านพ่อป้านแม่เลี้ยงใจไม่ได้เลี้ยงกายดอกให้พ่อแม่เห็นหน้าทุกวันทุกวันห้าปีพ่อแม่ก็คอยรอคอยวันเวลาเมื่ อ, อไรน้องลูกจะเบือ่อหนา ม, มันจะสึกม่องบอก่ซึกคื่องเส้นาหาไปีกแบบตามพระวินยัยถือว่าบวมาต้องห้าปีอยู่อับครูบ า, าใจอุปชาจึงจะปล่อยให้เป็นคนเดียวได้ถ้านอางค์นี้ตั้งจ ะ, จะรมมักษาศีลแต่เจริญสมาพิธภาวนาไม่ก้าวหน้า แต่มันวุ่นวายมันคิดคุณไปอดีตอนาคตวุ่นวายอยู่อย่างนั้นคือยังไม่สุภงอมยังไม่แมตชิเรชันกว่าศาสนาพัน ง, งอมปะไหนแต่รักษาศีลไว้อย่างดีได้ห้าปีกราบลาพระธสราพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จะขอจาริกแรมรอนเป็นสุสานที่พิเวกในป่าในเขาเจริญสมณธรรมพระพุทธเจ้าบอกที่สุดูหน้าตาเธอแจม่มใสเธอจะพึงเป็นผู้เจริญในสมณธรรม วันนี้เธอเมือนราชสีดิ์ออกจากถ้ำหวังว่าเธออาจจะกลับมาพร้อมกับความสดชื่นแจ่มใสนะเธอจมไปเถิดอาสาสัพพโตโหตั ว, ตวเธอจนถึงความเบาไปใหญ่เขาไะยอมอนุญาตเธอเข้าไปไปอยู่บ้านเลอน อ, อยู่ชายแดนที่สุดสุดแดนสุดแดงของแฟนของคดมาเล็กๆอาจจะเหมือนเหมือนว่าเหมือน้นานฝังเลแะไปอยู่บ้านเล็กๆพอได้บินทบาทมาแล้ว ฉันเข้าา้วบัลลังก์ก็พอสิบแปดปีอยู่ตรงนั้นทําความพพียรอย่างเครี่ยวกำไม่มขี้เกียจ น, นะนั่งงอกนั่งรักก็นั่งอยู่หันปอยยากกวาเศร้าหาว่าบรรลุยังพอแม่บุบญมาด้วยสุกนะแม้แต่นินนมิตแต่มันที่เพียงชั่วเมือนฟ้าแด้ก็ไม่เคยเห็นหักนั่งอยู่ห ข, ขยันมีทวามาฉนะันนั่งมาที่เดินจงกมแต่เธอไม่บรรลุทาอะไรแด่ ที่สโมสรยังฟุ่มเฟือพอแง่ไหนเนาะทีบว่คขี่ขับอือสิแปดปีมันรู้เรื่องเลยแต่ขยันเดินจงกรมและก็นั่งสมาธิช้ามาแผ่จิตเมตตาจิตใจฟ่องใสไปวิณฑบาทแต่อาหารมากับมาฉันบัลลังก์ก็ทำอย่างนั้น18ปีไม่บรรลุธรรอะไรวันหนึ่งมีพระมหาเทระองค์ ท่านเป็นพระ อ, อรหันตนะ์ท่านมาจากเมืองสาวัตถีท่านเที่ยวรอนแรงไปตามป่าทป่าจากป่าโซกป่าจากเขาสู่เขาเหมือนช้างมาตะคะอันเปรเซิร์ตละฝงละขอและที่ประตูเรียนในป่า ก, กว้างตามวิเวกับวิตกที่ปกครองจีนใหของท่านทัน้งเทีามาเทียมามาถึงวัดชนชนบทบ้านนอที่พระเถระองค์นั้นอยู ตอนนี้เป็นพระเทเรซาณสิบแปดพันตากายอยู่โ น, น 5, ่นห้าลงอะไรมาไดไปไหนยี่สิบสามแล้วเป็นนักบุประชาตเลยแล้วทำอะไรหากอยู่คนเดียวเป็นพระในดอกในภูเรียนไม่ปะเห็นพระองคนั้นมาข้าก็กราบต้อนรับภาสนะอย่างดีนิมนต์เถอะพระเวรเจ้าท่านผู้เจริญ ท, ท่านเดินทางมาจากไห น, นดู ด, ดูดูจะเน็ตนังไงเมื่อไรดูดูล่างกายของท่านผ้าจีวรของท่านมันเศร้าหมอง ท่านคงจะเดินทางมาเนีน่ยมาไกลท่านคงจะทีข้าเจริงเดินทางไกลามาเขากเลยบอกวะ่ากับผมมาจากเมืองสาวสถีมาจากเชตตะวันมหาวิหารอุ้ยได้ยินเร่นึงขนลุกแล้วถึงพระุทธเจา้าแล้วถึงหมู่สองที่เคยอยู่แล้ถึงพระมวขละนาสารีบุตรก็เลยกราบถามพระสมานรรพุทธเจา้าโอ้ยยังทรงพระกเกษมสันหลาดอยู่เลยหรือ อาพิรมอยู่ในมหมูงสงมูงใ่ผู้น่าเจริญใจยอยู่เลยหรือผมจากมานานสิบแปดปีแล้วพระผู้มีพระเจ้าของเรายัางสงพระเกษมสังลานอยู่เอาพิรมอยู่กับสองมูใ่ใหญ่คลาข้าไปด้วยผู้คนผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมเต็มอยู่ในป่าเชตวันพระมหาคาสาวกทั้งสองอย่างกเกษมสังลานอยู่เลยยังอยู่ดีกันครบถ้วนทีนี้ทถามๆกันมาคิดถึงบ้านจ้าของก็จะทำ ท่านผู้เจริญท่านเคยไปบินทบาททางถ้าริมฝังแม่นะ้อาอจิระพดีไหมทางด้านทิศตะวันออกฟังทางตะวันตกทางเมืองฮันนี้ท่าเคยไปไหมแต่ก่อนผมเคยไปเป็นเป็ น, ป, น, ป, น, ป, นประจําตอนหลังมาผมไปไม่เลือกสายผมเที่ยวไปไปบางครั้งก็ไปบางเร า, ไ, า, าไม่ได้ไปมีบ้านเื่ออบาดีอยู่หลังหนึ่งลืมฝังแม่นะ้อาอจิระพดี ทางด้านฝั่งตะวันตะวันตกนี้ทึ่หันหน้าออกมาหาทางฝั่งตะวันตกหันหลังให้กับแม่น้ำบ้านค้าพอดีเหล่านั้นจะใส่บาบไม่ขาดเป็นพวกไม่อิ่มด้วยบนท่านเคยไปไหมพอถามปั๊บพระมหาเทเะมองหน้าไม่พูดไม่พูดท่านก็อึ้งไปท่านไม่เคยไปเลยท่านอยู่เมืองสัมพั์ท่านน่าจะต้องรู้จักตระกูลนี้ ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ชอบใส่บาตรไม่ขาดทุกเชา้า because, ท่านก็เลยบอกว่าท่านภูเจริญพระเทวบพะว่านท่านไม่ถามหารตระกูลนี้ได้ไหมทําไมท่านต้องาหาหาตระกูลนี้มหารตระกูลน่้ได้ไหมท่านก็เลยเอกใจทาไมหนอผมถามหารตระกูลนี้เป็นอะไรผมถามาไม่ได้ผมอยากทราบคนในตระกูลนี้เขาเคยทําบุญใส่บาตรไม่ขาดท่านไม่ได้ไปเลยถ้ า, าท่านทำมหารตระกูลอื่น ผมพอใจจะบอกให้แต่แตระกูลนี้มันผูกพันอะไรกับท่านท่านผู้เจริญตระกูลนี้เป็นบ้านของผมพ่อแม่ของผมอยู่ตรงนั้นผมมาี่แปดปีแล้วผมทำหาผมเสียใจที่จะบอกความจริงนั้นให้ท่านฟังเศรษฐีบ้านเครือหารนั้นเดี๋ยวนี้เป็นยาจกเป็นคนขอทานเพราะเรื่องของเรื่องอนียูะว่า แกมีลูกชายคนเดียวลูกชายแกบวชแล้วลูกชายแกตายไม่กลับมาบ้านเลยคนใช้คนงานที่เขาอยู่ด้วยสองเท่าในแกเท่ามาเขารักเขาขโมงเอาสิ่งเอาของเอาเงเอาทองแล้วคนอื่นมังกู้มายืมเขาก็ไม่ใช้เพราะตระกูลนี้ไม่มีมี่ไม่มีใครเสืบกตระกูลผมไปวินทบาททางใต้ทางตอนใต้ของแม่น้ำอเจรบดีบางวันผมก็เห็นนอน นอนอยู่ตามต่อซอกแซงตอนการดึงกันยากก็ผมผมก็ร้องก็เล่นผมเข้าันกระเซาอกระเซิบงบางวันก็ไปเห็นอยู่ทางทิตเหนะเมื่อนี้ไกลฝั่ง น, ะน้ําดอกอยู่ข้างกําแพงของเศรษฐีกันพอพูดอย่างนี้ท่านก็เริ่มร้องให้โอ๋หนออานิสง์การบวดวันอานิสงของการบอกของเราเป็นอย่างนี้พ่อแม่ของเรามีมีทรัพย์ถึงแปดสิกดต้องการมันเป็นขอทานที่ก็เบื่อขอทานไปก็บางขอขาว ร้องให้ห่ อ, อมากันกั้นน้ำตาไว้ไม่จบท่านท่านผู้เจริญผมขอมอบอาดามนี้ให้แกท่า น, า น, านผมจะเดินทางคืนนี้นั้นคือมาดานัน้นคือบิดาของผมการบวชของผมยี่สิบกว่าปีไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ตอบบนแทนคนของพ่อแ ม, ม่เลยไหนบอกว่าการบวชนี้การตอบตอบบนแทนคนนี่มีแต่ทาให้ท่านทุกข์ผมจะกลับไปเลี้ยงพ่อเลียแม่ผมถ้านเลยท่านปอบใจ ไ, ไว้ชาก่อนท่าน นอนอยู่ด้วยกันสักตาตีพูดในเช้าค่ลาญาติยอมที่อยู่นี้ให้เขาเข้าใจด้วยท่านก็กลับไปกลับไปหาพระศาสดาสะก่อนแล้วจะบอกเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ลาจากท่านคืนนี้ท่านตจเย็นๆท่านจะไปกลางคืนท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วพ่อแม่ของท่านก็ยังเป็นคนขอทานอยู่คือเรานี่ยแหะก็นอนนอนลอยทั้งคืนนอนนั้ำตาไหลอาบหน้าอาบแก้มจรงนั้นเมื่อไรนอนจะสว่างเนอะมันไม่สว่างอ่ะ คิดถึงเรื่องเด็ดใจอยากจะวิ่งทั้งคืนให้ไปถึงเมืองสาวัตวีไปๆแต่ก็อดกัน้นเสืออยู่ในอกพอสว่างขึ้นก็พาพระมหาเทระเข้าไปบิณฑบาตตามระเบกยบบาปเมื่อเมื่อวันที่ผมจากไปแล้วทานก็ไปตามทางที่ผมพาไปนั่นะแล้วก็บอกลายเจ้าจอมบอกว่ามอบอ alarm นี้ให้พระมหาเทระอยู่ตรงนี้จงสนับสนุนจุนเจรพระมหาเทระเด้วยปจัจจัยศนะ่อาตมาบนน้อยจะขอกลับบ้านก่อน กว่แล้วก็ร้องให้ด้วยประชาชนก็กัน้นน้ำตาไว้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่อยู่เห็นท่านร้องไห้ก็ถามได้ข่าวอย่างนี้นก็ร้องให้ด้วยกันระงมเท่ามูฟัดสงสารท่านบวชสิบแปดปียี่บสามปีไม่ได้ช่วยพ่อแม่พ้นจากความทุกข์มีทุกขข้อมือนี่มันขออะไรช่วยทั้งวิ่งทั้งเดินบวมมือเลยไม่เึงื่วันเดียวไปถึงระยะทางตั้งไกลต่างหลายโยชน์ ไปถึงเมืองสาวัตีไปถึงก่อนที่จะเข้าเมืองมีทางทางสองแพร่งทางหนึ่งตรงเข้าไปในเมืองอีทางหนึ่งแยกไ ป, ไ ป, ไปจะไปฝั่งแม่น้ำเจริญบดียืนราาังเลยฮก่อนที่จะเข้าไปถึงในเมืองมันจะไปถึงวัดพระเชษตบันแต่ก่อนที่ถึงวัดพระเชษฐาบันมันมีทางแยกแยกทางซ้ายเมือไปทางตะวันออกมันจะไปฝังแม่น้ำจิาบาดีไปหาบ้านตนัวเองเราจะ ไปหาพระศาสดาที่พระเชบตบาทหรือว่าเราจะไปหาแม่หาพอหอ่อเราคิดหลังเลยเฮนานๆพระพุทธเจ้าจะเกิดมีขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งกถาจิกระราจิโรเจอุปชันติตถาคตามีบางครั้งบางข่าวทั้งนั้นโลกนี้จะมีพระเจ้าเกิดขึ้นเพราอว่าพระองค์ทรงประลึาาดผ่านไปกับท่คืนนี้เราก็มีโอกาสได้เห็นพระเจ้าอีกระโวามาแต่พระองค์ ยังไงเสียเราไปหาพระเจ้าก่อนไปกราบลาลาสิขาไนแ ล, กกล้วทงจะกลับไปหาพ่อหาแม่ก็เลยรีบไปเชตบัตไปถึงร้องไห้ไปเลยพระเจ้ามองเห็นนน้ําตาไหลนองหน้ามามากาที่สุดสิบแปดปีนะเธอลาเราจากเราไปเธอออกออกจากเชตวันเหมือนเห ม, มือนราชสีห์ออกจากท่อมบลูซีฮานาดอย่างเกิดก้องหน้าชื่นตาบาน แต่วันนี้ขนาหนอเธอมาเหมือนเยียวปีเปลือกมีแต่น้ำตาหนองหน้าก็เลยเล่าเรื่องราวให้ผู้ดเจ้าฟังแล้วก็ลาลาสิกขาปดก็ยามือลูงหัวภิกษุการที่เธอสึกออกไปเลี้ยงมารดาบิดาของเธอเธอก็เลี้ยงได้เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นท่านก็อยู่กับเธอเมื่อเกินร้อยปีก็จะต้องตายจากไป อย่าว่าแต่ถือปเลียงเลยเอาท่านมานั่งบาสองข้างให้ท่านถาอุจาระปัสสาวะใส่ข้างบาของเธอทั้งสองป้อนข้าวข้าวป้อนน้ําปละสามครัง้งอาบน้ําเอาบท่าบีบนู่นให้ท่านทำอย่าง น, นี้ตลอดร้อยปีชื่อว่าการเลี้ยงดูนี้อย่างสมบูรณ์แบบมากแต่ยังมันคุมค่าไม่สาสมกับบุญกับคุณอันประเสริฟของมาลาวิดา ชีวิตเราทั้งหมดได้มาจากท่านทั้งร่างกายและจิตใจมาตาเปติกาสัมภาโปโอทานะกามากุมาสปัจโยศรัฟวทธานมารดาบิดายอยู่ในตัวเธอเธอเลี้ยงเธอให้ดีๆแล้วจึงเลี้ยงท่านเธอเลี้ยงใจของเธอด้วยคนทำมาแล้วเราจะบอกให้เราอนุญาตให้เธอไปบินทังบาก ได้มาแล้วจากสถาญาติยงผู้ให้ด้วยสถาเธอไม่รอกินก็ได้เธอให้พ่อแม่เธอกินก่อนเหลือเธอจึงกินก็ได้แต่เราไม่อนุ ญ, ญาตพิสูจน์อื่นเราอนุ ญ, ญาตเฉพาะเธอหรือพิสูจน์ใดที่จะเลี้ยงมาดาบิดาอย่างนี้เราอนุ ญ, ญาตไม่ต้องกระบาดอะไรเธอสามารถเลี้ยงกายท่านโดยการบินทะาะมาเลี้ยงท่านเมื่อเหลือจากท่านแล้วเธอจึงกินก็ได้เราอนุ ญ, ญาตให้เธอไปหาผ้าเบาสกลุล ตามกองอยากเยื่อตามป่าชาเอามาต้มมาซักมาย้อมมาเย็บทาไปนซนื้อผ้พาพ่อแม่ เ, เธอหนุงได้ห่มได้เ ม, มื่อบาดของร้อนของหนาวเอาอนุญาตให้เธอไปหาเศษไมห้หาเศษหญ้ามาสร้างกระท่อมกระต๊อมให้พ่อแม่เธออยู่คุมกายการร้อนกันหนาวกันฟ้ากาันฝนเอาอนุญาตให้เธอดูแลรักษาพยาบาลท่านเมื่อยามท่านเจ็บไอยเจ็บไข้ได้ป่วยบีบนวด ล้านอุจจาระปัสสาวะของท่านให้เกลี้ยงปณิวัฒน์ทันด้ไม่ต้องอักบัตใดใดและเมื่อเธอเลี้ยงกายของพ่อของแม่ได้แล้วยังไม่พอดอกยังไม่คุ้มค่าเราจะบอกเธอยีเตพิกเวนุกรรมปิยธายีจะโสตพะมันจุลจิมมิตรบาอามจาวาสาลินตาบาเตพิกเวมาตรังพิตรังบา ยูตูสุโสตเปอย่างเทโสสมารทเปเตวาวีเนเซตภาพปิฏฐาเป ต, ปตภาบุคคลเราใดที่เธอจะพึงอนุอโนลกองเคาะเลี้ยงดูอุปถัมภาสักบุคคลเราใดที่พอจะรับฟังคำต่างๆของเธอได้พูด ก, กันรู้เรื่องมีก็ดีอามา ก, ก็ดีสายเลือดตัวเองก็ดีมานดาบิดาของเธอก็ดีเธอจงแนะนําพร่ำสอนชักชวนเิงบอกบุคคลเหล่านั้น ให้ตั้งอยู่ในโสตปฏิยัญฆาธรรมสีปการคือสตาสัพดาถึงพร้อมด้วยสตาศีลสัพปดปาถึงพร้อมด้วยศีลจาฆาตสรพดาถึงพร้อมด้วยตาฆาปัญญาสัพดาถึงพร้ อ, อมด้วยปัญญาถ้าถ้าเหล่านั้นไม่มีสตาเธอจงแนะนำให้มีให้มีสตาในพระรัตนัตติรู้จะบาปจะบุญรู้จักคุณจะโทษยอมรับว่าชาติหน้า ม, มีชาติก่อนมีบาปมีบุญมีรกรกมีสวรรค์มีทําบาปทําบุญใดๆจะเ ป, เป็นเป็นคุณสมบัติ จะเป็นสิ่ที่คนเหล่านั้นจะได้ครับให้เขาเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องการรับผิดชอบชต่อชีตที่มีเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์และสำคัญกว่จุดมุ่งหมายที่สูงสุดของชีวิตเมื่อไหา่เมื่อท่า น, า น, านมีรสถานอย่างนี้แล้วท่านที่ไม่มีศินทําบาปด้วยกาด้วยวาจาเป็นผู้ทุ่งสิงห์ลเลวทรามเธอจงแนะนําพ่อสองชักชวนมีมอลให้ท่านเหล่านั้นท่านทั้งสองนะั้นเป็นผู้มีสิลอันงดนางามกาลยานประมารกาลนาสินเมีย เป็นผู้เว้นชั่วด้วยกาด้วยวาจาด้วยใจถ้าท่านมีความตัณย์มีความเห็นแก่ตัวมากเธอจงแนะนำท่องสอนท่านมีจาระรู้จักเสียสละรู้จักปล่อยรู้จักบางปล่อยอารมณ์ภายในที่ยึดมั่นถือมั่นในเกิดความทุกข์ความกัรกุ้มต่างๆและปลดปล่อยพัฒนาการภายนอกความเห็นแก่ตัวของความตันฑ์ทีนี้ถ้าท่านไม่มีปัญญาท่านมีปัญญาสาม ไม่รู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษไม่รู้จักคุณทรงมด้วยควาละและควรเจริญเธอจงแนะนำพร่ำสอนท่านให้เป็นผู้มีปัญญารู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษรู้จักความจริงของโลกและชีวิตจอมรับและวางท่าทีลงอย่างถูกต้องเมื่อเธอทำได้อย่างนี้พิสโุเธอก็เหมือนยกมารดาิดาของเธอขึ้นปริฐานไว้บนสวรรค์การทาได้อย่างนี้เหมือนกับเธอ ได้ปิดประตูอบายไม่ให้พ่อแม่ของเธอตกนรกไม่ท่านเป็นเปรตไม่ท่านเป็นอสุรกายไม่ท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเธอจะเป็นพระเจา้าจักรพรรดิสามารถครอบครองโลกในทั้งโลกแล้วยกเมืองในโลกนี้ให้กับาาพระมานาบิดาพระราชาก็จะไ ม, ม่มีคนมีค่าเท่ากั ก, การให้ท่านทำสองไ ด, ไ ด, ได้ได้มีทำสีประการนี้ประทับภายเอกลักเชนะัสกัสกาถะคมเีนับปางสภาพโลกาฤทธิปเจนะโสตตปฏิพลังพลัง แม้จะมีเอกราชใดๆในแผ่นดินหรือจะมีอธิปไตยใด ๆ, ๆเหนือโลกล่างหรือจะขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆก็มีค่าน้อยเมื่อเท่ากับหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสิบหกของการเข้าถึงทำสี่ประการนี้คือโสตไปยังค่าธรรเมื่อท่าเขาเข้าถึงทำสี่ประการนี้เนี่ยโตเที่ยงแทะสังโฆที่ประรารจะโนท่านจะบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เนเบื้องหน้ามันเกิดเจตช่งเธอจะไปเธอพิโส ความจริงท่านบวชมาสิแปดปีนะี่ยท่าทำข้อเพียนมาแต่ท่านไม่ได้ฟังทำเหล่านี้ท่านชัด ช, ดชดเจนวันนี้ท่านจะนั่งฟังต่อนหน้าพระอาจารบรรลุทำเป็นสวัสดิวันนั้นนะวันนั้นได้เป็นสวสดิ์ปริยัคฆะแล้วนําเข้าถึงทำสีประการนี้แต่พราะเราไม่ฟงพูดจนเิ้นเสียงแหมท่านได้พระอจะเข้าใจว่าอย่างไรวั น, นั้นท่านองค์นั้นสิบยี่สิามพันตาลน้ำตาแห้งเมื่อฟังทำกันนี้ท่านมีสถาท่านมีศีลมีจารคามีปัญญาพอ ด, ด้วยจากบทประพันธนาการของาอารมณ์น้ําตา ก, ก็เหงื่อแห้งด้วยจ้าข้าไปว่ารูระบายเจาะรูระบายออกความทุกข์อะไรเจาะไม่คขังอยู่ในใจเออมีปัญญาเข้ามาว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจใครทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่เคยทำให้ถูกใจตัวเองตลอดไผ่ชิมัยแต่ถึงใจเขาในโลกนะโลกนี้ไม่เป็นตามแจของเขาเลยมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยปัญญาประเภทนี้เกิดมาเรียกว่าอริยะปัญญา ถ้าก็เลยน้ําตาขื่นแห้งเดินไปวินเ บ, บัสไปก็สอดสายสายตาหาพ่อหาแม่อยู่ซอยไหนเนอะอยู่ตอกไหนเนาะได้อาหารดีมากวันนั้นเต็มบาทหน้าตาของใสด้วยกันบรรู้ทําครั้งแรกชดอาบันชดปริญญะเข้าใจว่าต้องมีลทปิีเดมีหูทิพตาทิพมีมีส ม, มาธิปเป็นฌานถึงจตุธาฌานนึ่จะเป็นสดาบันไม่ใช่นะคนเรื่องนะพระเทวทัตนัน ได้ฌานทั้งสี่มีฤทปิเดช ห, อห่อเองินเดรับในดิมิตตนเองเป็นคนประหลาดล่องหนหายตัวไปก็ได้สุดท้ายตกนรกแล้วนี้ยังมาได้ขึ้นเพราะสมาธิอย่างเดียวฌานอย่างเดียวเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างดีถ้าไม่มีปัญญาประเภทนี้ตัทธสินสุตตัจฉะปัญญาตรงนี้จะปกคลองคุ้มของฌานถ้าอยากได้ก็ไม่อยู่เหนือมันอยู่เหนือวิสัย ทำสิ่ประการนี้จะเป็นพื้นฐานแนะนําไปสู่ความสําเร็จของทางของสมานที่ของวิมกได้ต้องเอาตัวนี้ไว้ก่อนบลอดภัยไว้ก่อนถ้าไปบินทบาทได้เงินได้ข้ามากมากมามีได้มากก็ยิ่งคึพอ่อแม่เป็นอยู่ตรงไหนนาะเดินที่ยวาตามตอกซอกถอยเดินเข้าไปข้างกงําแพงลิมฟังแม่น้ำอจิระบดีของบ้านคนเดิมเคี่ยครั้ ง, งแรกท่านไปบ้านบ้านบ้านเก่าโดเองก่อนเพราบ้านตดยเองมันจะไปะวนานสี่แปดเมตรก็ไป ไปเห็นเจ้าของคนใหม่ก็เดินเข้าไปยืนอยู่ประตูบ้านเจ้าของก็เดินออกมาหาพระคุณพระผู้เป็นเจ้าวันนี้พอจะมีพัดหรือยังเพราะมาตรงนี้มีมีะัดที่สุดสองมาหลายองค์แล้วพัดตาหาของท่านมีหรื อ, อยังในบาทอาจจะมามีเพี้ยน้องแล้วเต็มบาทแล้วจอมแต่อาจจะมาอยากถามหน่อย บ้านเดิมหลังนี้ไม่ใช่ของยมนะแต่ก่อนเจ้าของเก่าเขาไปไหนเจ้าของบ้านคนใหม่บอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นหนี้ผมกู้เงินผมและไม่มีเงินใช้ผมก็เลยมายึดบ้านหลังนี้เป็นของผมเขาเวรเจ้าทามาเขาทําไม่านปาสชนาอาหารปัสชนาพัดนี่มลเข้าข้างในเถอผมจะถ่ า, ายไปเดีย๋ยวไปรอคอยเจ้าคนพวกนั้นคนพวกนั้นเป็นคนขอทันโดยกำพาแล้ว แต่นคนขอทานเป็น ญ, ญายจงเที่ยวถือกระเบื้องขอาทานถือกระบาลขอข้าวที่ไปตามต่อกอกซอยลูกชายเขามีคนเดียวลูกชายเขาตายไปไม่มีใครซื้อตระกูยิ่งพูดยิ่งกระทบกระเทือนใจมากเทพจ้ากั้นนั้นตาไว้ไม่อยจบก็เลยบอกว่ า, าอาตมามีแล้ว่าหารอยากจะรู้จักวัดสองเท่าหนึ่งอยู่ตรงไห น, นถ้าท่านเดินตามฝั่งแม่น้ำไปทางตอนเหนือเหนือน้ำถ้าน จ, จะเห็น คนมากสองคนมักจะขึ้นไปทางเหนือน้ํามันมีท่าราบเรียบพอได้ลงอาวพราแก่มากพร้อมแถวนี้มันท่าลึกไปกอดเตือ น, นตามฝั่งน้ําไปทางทิศเหนือสวนทางกับกระแสน้ำไปเห็นบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งมีเครือขายเป็นกำแพงล้อมรบอบก็เดินตามกําแพงไปเห็นสองเท่านั่งอยู่นอนอยู่คนหนึ่งฝ่ายหญิงนั่ง ฝ่ายแม่นั่งฝ่ายพ่นอนอนนอนเกลือกอยู่กับฝุ่นพร้อมกระหล่องกองระแหลงผมเข้าไปกับเสือ้อกับเสือ้อเสื้อผ้าขาดกระลุงกระลิยายแม่เห็นลกูกเอามือป้องหน้าลูมายืนยืนอยู่ใกล้ๆตามประเพณีบิทบาตอิเดียต้องไปยืนนะไม่ได้ไปเดินเอาง่ายๆอย่างเราอพวกเรานะี่นะพวกเรามันดีงนี่ยแต่คดาเนี้ยแต่บ่าคดแต่ว่าหยั่งป้อนในหะ้อมันดีพอ่าฝ่ายเด็กเขาติดีกว่ อนี้นี่ยปยืนตัวโถ่ถาวตัก่อนเฮ้เขาบอกอะไรเขาก็บอกนี้ไปปวดไปเรื่องเด้อขวัญวันีมาให้ปวดรักวัญทางไปอะไรไปยืนสองเท่าในเคยสบาทไม่หาดตอนยานที่เป็นแม่ก็เลยเอามือกั้งเกาะป้องหน้าตาตาตาตบอกัวดูสิไม่ใช่พลาลูกชายเราหรือตาทแ่ไม่ดีดูเมายืนอยู่นี่นานแล้วนะ ตาบอกตูชาแล้วมันตายหมดแล้วมันมาดอกก็ไปโคตรามไปทึบไปผ้าอื่นลูกชาแล้วมันตายแล้วถ้ามันมันไม่ตายมันก็ต้องมาที่มันแล้วสิบกว่าปีแล้วพอได้ยินเสียงพ่อตัวแม่ก็จําได้เขาหายเขาหายเอคนที่เป็นแม่บอกเหมือนลูกชาแล้วนะเมื่อได้ยินเสียงตูตาผมก็จําได้ต้องเป็นแม่ตอนเป็นพ่อเราเนี่ก็รีบเดินมามาบอกแม่ จำลูกได้ไหมลูกเราจริงๆพ่อบอกยังไม่ตายด้วยโอ้ลูกเราจริงๆรงร้องให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสุดาันยังมีน้ำตานะกันน้ำตาไว้ไม่จบน้ําวิสาขาในหลานตายร้องให้อยู่สามวันแต่พ่อละหันมอดน้ำตาอสุนทิอสุปตานาทิไปถึงความสิ้นน้ำตาคือพ่อละหัน แต่พอะเราเขาร้องไห้เป็นพระอารมุนที่ไว้เค ย, ยนที่บ้านระหลาไหนในเทวทัพดี <c oughs> ทุนนะครับทีนี้ถ้ากอร้องให้เหมือนกันแต่สามารถสากัดกั้นบรรเทาด้วยจ่าขะสลักอารมณ์ออกเลือน้ําตา ก, ก็กหแห้งบอกอเอ้ยแม่เอ้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีวันที่เราทั้งสองทั้งสามจะพัดพากจากกัน ร, รู้กลับมาแล้ว อย่าร้องค่มร้องให้ไปเลยพ่อแม่เอ้ยเราเกิดมาร่ำรวยเพราะบุญของเราได้กระทำมาแต่วันนี้ความมเที่ยงแท้ของสรรพสิ่งบาปกรรมบุญกรรมที่เรากระทำมากรรมสักการะย่อมเป็นไปตามกรรมยถากรรมวงบกคนอะไรสทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไหนพ่อแม่จะวางแกเถิดลูกจะหามาเลียงไม่ต้องไปขอทานตอนนี้เอาอาหารมาให้พ่อกินแม่กินวันนี้ลูกได้เต็มบาททาใหพ่อแม่กินกิน เก่อย่างเลิอร่อยกินของโลกพิยันจะอนนาปานในอาเิีจีนเจจิตะันตของแทบของอร่อยก็มือคนรักกันมาคบกันเขานึกถึงพุทธพจน์บนนี้คิดถึงประเทศเราทานันทีพุทธพจน์บนนี้เขียนเป็นภาษาบาลีว่าเมื่อเกิดปัญหาลึกซึ้งเมื่อเกิดสงคราม ก็ต้องการคนกล้าบอกว่าอุตเทสุลมิตสันติมันตีสุอา ก, อากตูหรังียัญชนะนปานนั่นอธิแกจัเจปาติตังแปลว่าเมื่อเกิดสงครามย่อมต้องการคนกล้าเมื่อเกิดข่าวโลเลย่ยอมต้องการคนหนักนั่นคนหนักแนงเมื่อเกิดเรื่องลึกซึ้ง ขึ้นมาต้องต้องการคนฉลาดชาติบัณฑิตเมื่อมีของอ ก, กิน อ, อร่อยอร่อยก็ย่อมต้องการคนรักกันประเทศทั้ประเทศเราว่าอุกเทศรุญิชันติมันทีสุเอกรตัหลังยามเกิดโศกเซิกสงครามยอมคืนหอดขนก้าวไปจะได้คนขียโยงไปทั้นกาจะแปรรูมันทีสุเอกรตัหลังเมื่อเกิดข้าวโกราหอนย่อมบต้องการคนรู้ดี พิยันจะอนุปาณมหิอธิกิจเจเจบันเตังยังมีของกินแซ่บซ้อยยงองขึ้นหอคนหาคนแผงกันยังมีเรื่องสำคัญ ข, ขึน้นหอในป่าชาบัรณิตเขก็จะไปง่า ย, ายๆโดยให้เราไปไดิจอพอทีนี้ได้กินของกินอร่อยจากลวกก็ดีใจลูกก็ปลอบใจให้พ่อให้แม่ให้เบาใจวันนั้นไปป่าหาต้นไม้หาเศษมาม า, ม า, มาทากระท่อม ทำตุกตกุกทำกระท่อมน้อยๆให้พ่อแม่อยู่พ่อและแม่ใอยู่ตรงนี้มันต้องไปไหนนะั้นมันต้องไปเที่ยวขอทานอย่านันลูกอย่ากหามาให้หาเก็บผ้าบังสกุลมาตัดมาย้อมมาซักมาเย็บด้วยมือเป็นผ้าถุงบ้างเป็นเป็นกางเกงบ้างหวัหวหู่แน่โซ น, นอย่างขกอบน้ำางอย่างมาพาเตรียโททีมาให้พ่อนุ่ง ใ, ให้แม่นุ่งหลังจากนั้นบินถบานมาเลี้ยง ถ้าแม่ปวดหลังพ่อพวเองก็นุวนให้บ้างพราวิญญาณวิญญาตากฏว่าท่านอิ่มใจเพราะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วตัวเองก็ได้บรรลุถรรมระดับโซดาบันพ่อสถาพ่อสินพ่อจาะพ่อวัญญาแล้วพ่อแม่ก็สบายใจอุ่นใจมีความสุขใจอยู่กับพวกแต่ลูกขอมเพราะอะไรวินทบานมาบางวันพ่อแม่กินก่อนลูกจะกินลำหลัง บางวันเหลือน้อยก็ไม่อิ่มบางวันไม่เหลือก็ไม่ลงกินต้องแล่แต่เพลินแล่แต่มันที่เป็นปวันทอง้ะถ้าเขาไม่กินมดลูกมันต้องกินถ้าเหลือน้อยก็กินไม่อิ่มแต่วันใดโชคดีคื อ, ค, อคือมันเรืวมากก็ไค่เนยจะน้อยพอทองไข่เอาเนาะแล้วก็หอมลงวอบลงพร้อมก็ะลงอะไรอย่ง พระภิกษุทั้งหลายเพื่อนกันเห็นก็เลยถามท่านตอนท่านจากมาต้องเท่ากันมาใม่จากปากดูท่านอุวนทวนสมบูรณ์มีน้ำมีนวลผิวพรรณผ่องใสแต่วันนี้เกิด อ, อะไรขึ้นท่านเบื่อนหน่ายท่านไม่พอใจในการประพฤติธรมแล้วเหรอในพรหมจรรย์นี้แล้วเหรอท่านจึงพร้อมท่านจึงพร้อมอย่างนี้ดับอย่างนี้สู้อย่างนี้ไม่มีผิวพรรณไม่มีรา ส, สงานลาศีเลย ท่านไม่พอใจนใจนพรหมจารีเลยเพื่อนถามหามไม่ได้ท่านผู้เจริญถึงร่างกายผมจะผ่ายผอมแต่ที่ใจผมอ้วนท้วงสมบูรณ์มากผมพอใ จ, จใจยิ่งในพรหมจารี้เหมือนบรรดาน่าเดิมเหมือนปั่นจากแห่งโครถคนดียเขากินนมอะไรอร่อยที่สุดเขายกให้นมเปรียยวที่อะไรดีเขาว่าปั่นจากแห่งโครถรถนอนน ม, น ม, นมออกมาเ่อไหร่เขาบอกพรหจารี้ผมมีความพอใจใจบุญ พระปฏิในไม่มีผมแล้วท่านจะวางมาหิดจิ้มกินได้อย่างไรผมบินท้าบานมาเลี้ยงแม่ผมเลี้ยงข้อผมเล่ามาเพื่อนฟังวันไหนท่านเหลือมากผมก็พอได้กินอิ่มบ้างวันไหนเหลือน้อยผมก็ไม่อี่วันไหนไม่เหลือผมไม่ได้กินผมก็เลยต้องผอมเพื่อให้พ่อแม่ผมอยู่ได้พระไ ป, ะปะฟ้องภรจ้าบอกภิกษุลาโมคนนี้อุปชีวิกาบวัมาเลี้ยชีวิต ทำมาวินิเยร์ทำมาเทนังโกบวนมาขโมยทำวิ น, นัยในเลี้ยงชีพดูสิวินถ่าเอาเข้าใจชาวบ้านมาตัวเลไม่กียนไปให้พ่อแม่มกินกอนคิดเทนญรายยาบัดทับกบวดผู้วเจารปวัจจก็ไปฟรร้องผู้วิจารผู้วิจาบอย อ, อย่างนั้นเลยอีแรโซอย่างนั้นหรือไปตามเธอมาก็ไปตามมาถามต่อหน้าสงเยฟยูเยสิกาเอาท์ต่อหน้าตตตาสมุขาววินยัยเอาไฟม า, ม า, า่วๆเห็นดีด้วยจะเอาอย่างไงเรียกถาม คนภาคทั้งหลายนั่งฟังด้วยกันท่านเราเลื่องวิธบัตีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ฟังผู้่จะเอามือลูกหัวภิกษุเธอดำเนินปฏิปทาเช่นเดียวกัน ก, นกนระปรองเราชื่นชมปฏิปทานี้เรายินดีในปฏิปทาของเธอนี้เมื่อก่อนนั้นเราเป็นส่วนหนสามเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตาบอดผู้มีแต่สุขอมือเราหาบใส่บาตเราไปเลี้ยงในปาก วั น, นี้เธอก็เช่นเดียวกับเรานอกจากเธอเลี้ยงท่านทั้งสองด้วยข้าวที่เธอบินทบาทมาแล้วเธอทํำยังไงผมเลี้ยงใจท่านเลี้ยงกายท่านด้วยข้าวหนาโพชนาอาหารที่ผมตะแตแบบหามาได้จากทายุกทายิกาผมสร้างบ้านทท่านอยู่ด้วยเศษม้เศษได้อาถรพามาได้ผมเอาผ้าท่านนุงด้วยผ้าบางสกุลเกี่ยวข้าได้เปิดห้อดูแลรักษาท่านหีืผมรักษากาท่าน แต่เสร็จแล้วผมจะต้องแสดงทำให้ท่านฟังทุกวันในณะที่ท่านกินอิ่มผมจะแสดงทำโซดไปอย่างข้าท่านฟังวันนี้บิดามารดาของผมมั่นใจในภาัต น, นาตายเทเวนวาสเมเนววาเทเวนาบาเกริจิวาโลกะสิห์เทวดาก็ดีมาก็ดีผมก็ดีผู้ใดก็ดีในโลกนี้ไม่มีใครจะสามารถคาดเคลื่อนเคลื่อนย้ายบิดาบิดาของผมออกจากพระรตนาตายได้ วันนี้ผก็เลยบอกแจกเพะะื่อแจกบอสาโทั่วภิสุบท่านี้เธอได้นําบิดามาดาของเธอได้ปฏิภาณไม่บนสวรรค์แล้วปีประตูระบาของท่านไปแล้วถ้าไม่มีโอกาสตนนรกไม่มีโอกาสเป็นเป็นป์นปนรุลกาพิเศษชานแน่นอนท่านจะเกิดอีกมาถึงเจ็ดชาติท่านจะต้องบรรลุธรรมเป็นรพระอรหันต์เพราะปฏิปทาของเธอเราชื่นชมเราดีปฏิปฏิปทานนี้พิสูจทั้งหลายเธออย่าปักปั๊มพิสูจนนี้เลยเธอ เธอมีกาลยานนะพรที่งดงามที่สุดเธอจังๆและพุะที่จะแสดงต่อโสตเปรียงค่ะให้พระเหล่านั้นฟังพระเหล่านั้นก็บรรลุธรรมพระผู้รู้จักก็เป็นโสตาบาัญได้พวกที่เป็นโสาบัญอยู่แล้วก็พัฒนาไปถึงเสกสกิทาค า, ามีอนะคาับเนีเพราะกันนี้นี่พวกเราจะขาดทุนหรือจะได้กําไรจะตอบบุญแห่งคุณพ่อแม่ได้ไหลองถามใจตัวเองดูวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ พิสูจทั้งหลายกําลังของโสดาบันจะเห็นได้ที่สัทธาฝรนี้กําลังโสตับริยังคะจะเห็นที่สัทธาเช่นเดียวกับกําลังของเสัพสัมมาสมาธิจะเห็นได้ที่ฌานทั้งสีเช่นเดียวกับกําลังของสัมมาสติจะเห็นได้ที่สติปัฏฐานมันมีเครื่องวัดแต่กําลังของการเข้าถึงกระแสพันธพ์ผ่านครั้งแรกคือโสตับริยังค่าทำไ จะเห็นได้ที่สถาสถาเป็นเครื่องวัดฮันโลกสถายัางไงสัานิวิธามูลฉาตาปติสิตาทาันหัสังหะเลพาสัมเนรบาเทเวเนบาเกราเกรจวาโลกะตมิงสถาที่มีรากแก้วอย่างลงแล้วไม่คาดเคลื่อนไม่งอนเงี้ยงคอนแคลวไม่งอนเง้ยงคอนแคลวแขมว่อย่างไรบา้างต่อให้เทวดามารพรมและผู้ใดในโลกนี้สมณพรรมนักบวในศาสนา่กัน ไม่สามารถคาดเคลื่อนเอาเธอออกจากศาสนานี้ได้อราลองตั้งวันหาถามแต่ตัวเองดินี่สิตกลับไปถึงวัดพระธาตุพนมถึงมหาวิทยาลัยมีคนศาสนาอื่นมาสามัญชอาจารย์หลวพี่มาเรียนหนังสือกับผมไหมเรียนภาษาอกีษกับผมไหมภาษาที่ท่านใช้เป็นภาษาขยะนะที่ท่านเรีย น, นมาวิทยามันว่าว่าอย่างนั้นนะภาษาที่เขาเลิกเลิกใช้แล้วก็บอกจังแหลงเวียดภาษาขยะนะ ท่าน้อมาเรียนกับผมแล้วอยากให้ดีที่สุดท่านมาเข้าศาสนากับผมไหมผมจะให้ท่านสักสิบล้านาเธออยากไหมตอบด้วยที่ใใจเอาไ ป, ไปตกตูมยังวัตถุผลแต่นรกเจ้าเป็นความปุถุธาตุเราตอบเองจะรู้เองเป็นโจทย์เองเป็นจํำเลยเองเป็นทนายเองเป็นผู้วิชาภาคสาเองตัดสินเองเอาบ่น้องเป็นิปอ้อน้องคว่าบ่เอาบอนอน่เบอเอนาไ มือล่างก็บอกว่าเออนั่นหมากำลังเขาโซดา บ, บันอยู่วศรัทธานิวิธามูลกชาตาปฏิสตาทันหา้าสังหะเดยมาธรรมดีนวารเทวนวาเกลืสีวารโลกอตันี้ศรัทธาตั้งมันง่นไม่คลอนมั่นแงงคลอนแกนมีรากแก้วย่างลงเลยในะระยะมากโลัชาตาปฏิสตตารากแก้วย่างลงอย่างมั่นคงเทวดาก็ดีมาก็ดีผมก็ดีใครก็ดีในโลกนี้ ไม่สามารถจะดึงทุกเถื่อข อ, ออกจากสถานานี้ได้นั่นแหละคือโสตปริยังขะเมื่อเข้าถึงตัวนี้ท่านเลยว่าอิะเจนังวิลาเทศธรรมัาสานิยมกังกีลังตะวังนันุตเปสิเสถีสรยรประยางว่าวันจบบัดนี้ท่านถึงความแน่นอนในพระธรรมแล้วแน่นอนแล้วในพระธรรมที่จะต้องบรรลุธรรในเบื้องหน้าวันนี้ใช้เวลามากเพื่อจะตรวจสอบงบดุล ขาดทุนหรือได้กำไรเมื่อแรกไปนอนคองคืนแรกไม่กดได้แต่ปัฒาานธรรมศาสนาอื่นมาซื้อเอาบอ ร, ริล้านอย่างนี้แปดประโยค์ก็ขายแป่ประโยชน์และศ า, นาะสนาอื่นเาซื้อไม่ถึงล้านให้มาแปลภาษาบิดกให้มาแปลคำพีไปเบิ่นเป็นภาษาบาลีเพื่อเขาจะได้กึ่งของเราเป็น dialogue i n t r a c t i o n ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรม เป็นฟีมือของพวกนันบกบทที่เรียนสูง ส, สขายตัวแก่สาธนานอื่นนี่คือยังมันยังไม่ได้ใกล้เลยยังไม่ได้กล้เข้าสกเสฉะอันนี้ยังอยู่นอกถทบักพระิระปักโขปุถุชนงเป็นฝาแฝาของผูู้ทุชนผู้อยู่ฝ่ายนอกซาตานนี้วันนี้ท่านนิสิตมหาจุลาของเราลองทบทวนปิดบัญชีงบจนว่าจะขาดทุนหรือจะได้กันไหน ถ้าเขาถึงทำสี่ประการ น, นี้ได้กำไรแสนจะกำไรทุนไม่มีที่จะให้ขายกีกต่อไปวันนี้สมควรเวลาขอความเจริญองอกงามด้วยอริยะเยรญธรรม น, นี้จงมั่นคงแน่นแฟนเป็นแก่นสารใ น, นจิตใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุก ร, ร, ร, รูทุกองคทุกท่านทุกคนทื่นสาธุสาธุสาธุ <surviving> that uh, no.